29พระอภยาเถรีภิกษุณีผู้เป็นสหายของพระอภัยมาตาเทรีชาติสุดท้ายนางเกิดในเรือนตระกูลหนึ่งในกรุงอุเชนีเจริญวัยแล้วได้เป็นเพื่อนกับพระอภัยมาตาเทรีอัตถกะถาเรียกพระอภยามาตุเมื่อพระอภัยมาตาเถรีบวชเธอจึงได้บวช ด, ด้วยความิเนหาพระเถรีนั้น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 เบียดเบียนอยู่เป็นนิดจึงมีชีวิตยอยู่ด้วยการมีสติสัมปชัญญะพิจารณาทุกข์และกายเหล่านั้นส่วนคาถาหลังนั้นพระสังขีติกาจารยกขึ้นมากราวไว้